และตัวสภาวะทุกก็เทียบได้กับไฟที่ติดอยู่กับก้อนถ่านไฟนามารูปหรือกายใจหรือกายที่ยาววามีสัญญามีใจนี้ จึงเป็นเหมือนอย่างก้อน่านไฟที่มีไฟติดอยู่แล้วก็คือไฟชาติไฟชาราไฟมรณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายาติปิดุขายาาปิดุขามารณัมปิดุขัง ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาราความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ซึ่งติดเผาก้อนฐานไฟคือกายใจนี้มาพร้อมกับชาติคือความเกิดและก็เผาให้ บุบสลายเรื่อยไปจนเป็นเท่าในที่สุดก็คือมรณะคือความตายนี่เป็นตัวขันอายุนาทาศกับสภาวะทุกข์ที่ประกอบป็นอยู่ เป็นทุกชั้นหนึ่งคราวนี้ถ้าทานไฟที่ประกอบด้วยไฟซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกขเผาอยู่นี่วางอยู่โดยบุคคลไม่ยึดถือ บุคคลก็ไม่ร้อนแต่คราวนี้บุคคลไปยึดถือเอาก้อนถ่านไฟที่มีไฟนี่เหมือนอย่างหยิบเอาก้อนถ่านไฟนี้มากำเอาไว้ในกำมือไฟก็ไม่มือให้เกิดทุกขเวทนา เป็นความร้อนขึ้นอีกเพราะความยึดถือนี่เป็นความทุกข์อีกชั้นหนึ่งที่บังเกิดทางจิตใจตลอดถึงกายเพราะตัญหาอุปาทานของบุคคลซึ่งเป็นตัวทุกขขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และอันที่จริงนั้น ตามคติทางพุทธศาสนาตัณหาอุปาทานตัวทุกขสมุทัยนี้ย่อมเป็นตัวเหตุก่อชาติภพคือเกิดก่อธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวทุกเป็นไปตามสภาพดังกล่าวนั้น ด้วยจึงชื่อว่าเป็นทุกขสบูทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะก่อเกิดธาตุขันซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์และทั้งยังยึดถือเอาตัวธาตุขันซึ่งประกอบด้วยสภาวะทุกนี้เหมือนอย่างกมก้อนถ่านไฟนั้นไว้ในมือให้เกิดความร้อนไม่ปล่อยเสีย เป็นความทุกข์ขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขกับสมุทัยจึงประกอบอยู่ด้วยกันในธาตุขันธ์และในบุคคลทุกๆคนและเพราะความยึดถือไว้ดังนี้ จึงเรียกว่ามีธาตุขันเป็นที่ยึดถือไว้เป็นตัวเราเป็นของเราตันหาอุปาทานร้อมกับอวิชชาชื่อว่าเป็นมาน หรือบัญญัติว่าเป็นมานในพุทธศาสนาและภูที่มีอยู่คือมีอวิชชาตัญหาอุปาทานดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นสัตว์และบัญญัติว่าเป็นสัตว์ ที่แปลว่าผูข้องและเพราะเหตุนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์และบัญญัติว่าเป็นทุกข์ชื่อว่าเป็นโลกและบัญญัติว่าเป็นโลกคําว่าโลกโลกนี้ตามศัพท์ ก็แปลว่าสิ่งที่ต้องชำรุดสิ่งใดต้องชำรุดสิ่งนั้นชื่อว่าโลกเพราะฉะนั้นโลกหรือบัญญัติว่าโลกจึงยังต้องประกอบด้วยทุกข์ และภูที่ยังยึดถือโลกไม่พ้นโลกจึงชื่อว่าเป็นสัตว์สมมติบัญญัติว่าเป็นสัตว์และก็ได้ชื่อว่ามาน สมมติบัญญัติว่าเป็นมารคือยังมีมารและยังมีสมมติบัญญัติว่าเป็นมารผู้ฆ่าผู้ทำลายอยู่ในตนฉะนั้นพระบรมศาสดา จึงได้ทรงตรัสวิสัชนาแก่ท่านพระสมิทธิผู้ซึ่งมากราบทูลถามว่าชื่อว่าเป็นมารบั ญ, ญัติวน ชื่อว่าเป็นสัตว์บรรยัตยิว่าเป็นสัตว์ที่แปลว่าผูกข้องผูกติดได้ชื่อว่าเป็นทุกบรรยัตยิว่าเป็นทุกได้ชื่อว่าเป็นโลกบรรยัตยิว่าเป็นโลกด้วยเหตุอย่างไร ได้ตรัสแสดงมีความว่าตากับรูปและจักสุวิญญาณกับธรรมคือสิ่งทั้งหลาย ที่จะพึงรู้ได้โดยจักสุวิญญาณหูกับเสียงและโสตะวิญญาณกับธรรมคือสิ่งทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้โดยโสตะวิญญาณจะมูกกับกลิ่นและคานะวิญญาณ กับธรรมคือสิ่งทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้โดยฆาณวิญญาณลิ้นกับรสและชิวหาวิญญาณกับธรรมคือสิ่งทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้โดยชิวหาวิญญาณกายกับพดทพสิ่งที่กายถูกต้องและกายยวิญญาณ กับธรรมคือสิ่งทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายวิญญาณมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวและมะโนวิญญาณกับธรรมะคือสิ่งทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณมีอยู่ ในที่ใดมารบัญญัติว่ามารสัต์บัญญัติว่าสัตว์คือผูกติดผูกค้องทุกบัญญัติว่าทุกโลกบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในที่นั้น แต่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีอยู่ในที่ใดมารบัญญัติว่ามารเป็นต้นก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นดังนี้คำว่ามีอยู่นี้ จังหมายถึงมีอยู่เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานั่นเองและที่ว่าไม่มีอยู่นั่นก็คือไม่มีอยู่เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราความที่มีอยู่ โดยเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานี่จึงเหมือนอย่างที่มีก้อนทันไฟนี่อยู่ในมือมือกาเอาไว้ไม่ปล่อยไม่มีก็คือว่าไม่กาเอาไว้แต่ปล่อยและเมื่อปล่อย สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่แก่บุคคลเพราะไม่ได้ยึดถือเอาไว้เมื่อไฟที่เป็นตัวสภาวะทุกคือไฟที่ติดอยู่ที่ก้อนทานไฟนี้ยังลุกติด เป็นไฟอยู่ก็แปลว่าชาตชารามรณะที่เป็นตัวไฟที่เผาอยู่นั้นยังเผาไม่หมดอันนี้ก็ได้แก่ธาตุขันของท่านภูที่ถอน ความยึดถือว่าตัวเราของเราในาธาตุขันธ์เสียได้คือพระพุทธเจา้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายท่านเป็นพุท ธ, ธคือเป็นภูรู้เป็นภูรู้พ้นไม่ใช่เป็นภูรู้ยึดเป็นผู้รู้พ้นคือไม่ยึด ก้อนทานไฟที่ติดไฟอยู่ท่านไม่ได้กรรมเอาไว้ท่านจึงไม่ร้อนก้อนทานไฟนั่นก็ถูกไฟคือชาติชรามรณะเผาไปจนกว่าจะเป็นเท่าไปหมดก็ดับก็คือดับคันธะปรินิพาน แต่ว่าพระพุท ธ, ธท่านไม่ยึดท่านปล่อยท่านก็ไม่ร้อนสิ่งที่ต้องถูกไฟชาติชารามราณะเผาไปหมดนั้นก็ไม่จบเป็นของท่านก็ไม่ยึดท่านจึงเป็นภูพนและเป็นภูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แกเจ็บตายนั่นเป็นตัวไฟที่เผาก้อนถ่านไฟนั่นที่ท่านวางแล้วก้อนถ่านไฟนั่นเองต่างหากที่แกที่เจ็บที่เกิดที่แกที่เจ็บที่ตายเมื่อท่านปล่อยเสียท่านก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะคือเป็นภูที่ไม่ตายเพราะว่า ท่านถอนความยึดถือเสียได้อันความยึดถือดังกล่าวนี้เรียกอีกคำหนึ่งว่ามนุษย์ใสะนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดาน อันได้แก่มานะคือความสำคัญหมายว่าตัวเราของเราอันเรียกว่าว่าหังการมรรมังการอหังการนั้นแปลว่าสร้างให้เป็นตัวเรา ทำให้เป็นตัวเราปรุงแต่งให้เป็นตัวเรามามังการนั้นแปลว่าสร้างกระทำหรือปรุงแต่งให้เป็นของเราคือทำหรือปรุงให้เป็นตัวเราให้เป็นของเราขึ้นมาให้เป็นตัวเราก็เรียกว่าอาหางการให้เป็นของเราก็เรียกว่ามามังการ เป็นมานานุใสกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตตัดสนดานคือตัวมานะความสำคัญหมายว่าตัวเราของเราหรือเรียกว่าอัตสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอันเป็นกิเลสละเอียด ที่มีอยู่ในบุคคลทุกๆคนเมื่อมีมานานุสัยที่เป็นตัวอาหางการมมังการนี้อยู่มีความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ในขันอาญตนธาตุทั้งหลายดังเช่นที่ได้มีแสดงถึง ท่านพระอุปเสนซึ่งท่านพักอยู่กับท่านพระสาดิบุตรกับพระเถระทั้งภิกษุทั้งหลายในสีตะวันอันมีงูพิษอยู่เป็นอันมาก งูพิษไร้ได้ตกต้องท่านพระอุปเสนเถระท่านจึงได้บอกภิกษุทั้งหลายขอให้ยกท่านขึ้นนอนบนเตียงและ รีบนำออกไปให้พ้นจากบริเวณกุฏิออกไปตั้งไว้ข้างนอกก่อนที่ร่างกายของท่านจะถูกพิษของงูเผาไหม้เป็นขี้เถ้ากระจัดกระจายไปท่านพระสาดิบุตร จึงได้กล่าวแก่ท่านว่าเราทั้งหลายยังไม่เห็นความเป็นไปอย่างของกายของท่านความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ทั้งหลายของท่านจะไหนท่านจึงได้กล่าวว่า ให้รีบนำท่านออกไปให้พ้นจากบริเวณก่อนที่ร่างกายของท่านจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าธุลีไปท่านอุประอุปเสนจึงได้ตอบว่าความสำคัญหมายยดถืออันเรียกว่า มานานุสัยดังกล่าวซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดอาหางการมังการดังกล่าวนั้นมีอยู่ ในภูดว่าตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราว เป็นตัวเราเป็นของเราความเป็นไปอย่างอื่นความแปรปรวนไปของอินทรีย์ย่อมมีแก่ผู้นั้นแต่มานานุสัยอันเป็นตัวอาหง า, า, างการมมังการดังกล่าวไม่มีแก่ผู้ใด ความเป็นอย่างอื่นของกายความแปรปรวนของอินทรีย์ทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้นันก็จริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสนได้ถอนมานานุสัยซึ่งทำให้เป็นอาหารการมาัางการในขันอาจตน า, าธาตุทั้งหลายขึ้นได้หมดสิ้นแล้ว ความเป็นอย่างอื่นของกายความแปรปรวนของอิสรีทั้งหลายจึงไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายได้หามท่านออกไปตั้งไว้ในภายนอกร่างกายของท่านก็ถูกพิษไร้ของงูเผาทําลายเป็นเท่าธูลีไปดังนี้ เพราะฉะนั้นทุกข์ทุกขสมุทัยของสามั ญ, ญชนทั้งหลายยิ่งประกอบอยู่ด้วยกันและก็ต้องเป็นทุกข์กันสองชั้นคือขันอาญตนาพาธ ก็เป็นตัวสภาวะทุกข์เหมือนอย่างเป็นก้อนถ่านไฟที่มีไฟติดคือไฟชาติชารามรณะเผาอยู่ทุกข์อีกชั้นหนึ่งก็คือว่าบุคคลยังกรรมเอาก้อนถ่านไฟวินี้ไว้ในกำ ม, มือให้ไหมมือให้เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นทุกข์กันอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงสั่งสอน ขี้ให้บุคคลมองเห็นตัวทุกข์กับทุกข์กับสมุทยัยไว้เป็นอันมากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสลดตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ อบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการประภูมิประภาธอรหันตสมาสมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์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 ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้กล่าวแล้วว่ารวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่ฉะนั้นกิจที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิน้นจึงเป็นกิจที่พึงปฏิบัติ ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั่นเองจึงควรที่จะกำหนดในกิจทั้งสี่นี้ก็คือหนึ่งปริญญา กำหนดรู้ทุกสองปหารณาละทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกสามสัจจิกรณะกระทําให้แจง ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์และสี่ภาวนาปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มีให้เป็นมักมีองค์แปดขึ้นมานี่เป็นกิจในอริยสัจทั้งสี่และก็เป็นกิจ ในพุทธศาสนาทั้งสิ้นจึงควรที่จะทำความเข้าใจและฝึกหัดปฏิบัติในกิจทั้งสี่นี้ว่าถึงกิจข้อที่หนึ่งกำหนดรู้ทุกข ก็คือกำหนดให้รู้จักตัวทุกข์ให้รู้จักที่ตั้งของทุกข์ให้รู้จักทุกข์อันเกิดปรากฏ ขึ้นในที่ตั้งของทุกนั้นอันที่ตั้งของทุกก็คือขันอาญตนาธาตุนี้เองหรือนามารูปหรือกายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกตัวทุกก็ตั้งอยู่ ในที่ตั้งของทุกนี้ดังจะพึงเห็นได้ทุกที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็น